และสำหรับตอนนี้นะคะขอเชิญพบกับพระมาร์คชาคาวโรวัดนาป่าพง์ลำลูกกาคลองสิบนะคะนมัส ก, การคะ่ะท่านคะ่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราเพิ่งเริ่มต้นมีสองวันรู้สึกว่าท่านมาร์คเนี่ยก็จะได้จัดว่าวันหนึ่งเป็นเรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษ์ใช่ไหมคะนะคือวันพระหัสสบดีนะพอมาวันนี้วันศุกร์วันศุกร์นี้จะหาธรรมะที่มาจากหนังสืออริยสัจจากพระโอษ์ทางภาคโ้นภาคปลายหรือว่า บางทีก็จะมาจากปฏิจจคติาจากพระโอษฐ์ในเรื่องของธรรมะที่พระองค์ได้ออบอกสอนกับท่ออภานพระภิกษุและวก็ฆราวาสในแง่ของการประพฤติปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การกพุทธทนตา่างๆค่ะก็เรียกว่าให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์โดยตรงเลยแปลจากคําสอนของพระองค์จากพระโอษฐ์ในชุดจากพระโอษฐ์วันนี้ท่านนําเรื่องอะไรมาคะ อันนี้เป็นเรื่องของการดารงจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจาง่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะค่ะเพราะคนเราถูกเบียดเบียนด้วยวาจาเยอะนะคะงั้นอรัธนาท่านเล่าต่อเลยค่ะพระผูมีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะเพึ่งกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างคือหนึ่ง กล่าวโดยการหรือกล่าวโดยไม่ใช่กลาสองกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริงสามกล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายสี่ <Okay. S 1> กล่าวโดยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ห้ากล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในนี่คือห้าวิธีที่ พระผู้มีพระเจ้าได้แจกแจงว่าถ้าเราถูกกล่าวหาเนี่ยจะมีอยู่ห้าแบบคห้าแบบคืออันแรกคือว่าโดยการและโดยมิใช่การโดยการนีการละใช่ไหมฮะการละก็คือว่าเหมาะสมกับเวลาไหมหรือว่าไม่หมาะสมในสองคือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงอันที่สามคือกล่าวโดยอ่อนหวานหรือว่าโดยอยาบคายคสี่คือกล่าวหาด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์ห้าคือกล่าวหาด้วย มีจิตที่เมตตาหรือว่ามีจิตที่มีโทสะแล้วก็พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทําการเสรีงเนบพระองค์ทรงตรัส่อว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทําการสำเรยจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวน าจากไม่กล่างวาจาอันเป็นบาปจะเป็นผู้มีจิตเอนดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นมีจิตเมตตาอันเป็นจิตไพฑูรย์ใหญ่ลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลก ถึงที่สุดทุกทิศทางเมื่อบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์แล้วแรอยู่ดังนี้ <Okay. S 1> ที่สุดทั้งหลายเธอเพิ่งทำการสำเร็จอย่างนั่นคือว่าถ้าเราโดนกล่าว ห, หาห้าอย่างเนี้ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าอย่าให้เราจิตเราแตกตรวอย่าให้เรากล่าววาจาที่เป็นบาปให้จิตเนี่ยเป็นเป็นจิตที่เอ็นดูเพื่อควณประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปทุกทิศทาง ก็ไม่ใครง่ายแต่ว่าก็ผมต้องทำแต่ความจริงต้องบอกว่าเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเวลาที่เราฟังอะไรเนี่ยนะคะบางทีฟังเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องจริงที่ไม่ดีของเราเราก็โกรธหรือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราไม่อยากให้ใครรู้เราก็โกรธพราะมันเป็นเรื่องไม่จริงเราก็โกรธฟังอ่อนหวานอันนี้ส่วนใหญ่จะชอบ <c oughs> แต่ว่าถ้าหยาบคายก็จะโกรธเช่นกันนะคะซึ่งพระองค์บอกประโยคแรกที่บอกว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนนี่ชัดเจนมากว่าถ้าถ้าเป็นคําที่เราชอบเราก็จะไหลเคลิ้มไปตามมันแต่ถ้าเป็นคําที่เราไม่ชอบเราก็จะเกิดอาการต่อต้านพระพุทธวิเคราะห์เจ้าเลยว่าต้องให้จิตไม่แปรปรวนนั้นไม่กล่าวว่าจะเป็น่าต่อคือให้ให้จิตเราเนี้ยมั่นคงเปรียบเหมือนกับที่พระองค์ มาวมบไม่ต่อมาว่าภิกษจ์ทั้งหลายเปลี่ยนเหมือนบุรุษถือจอบและกระทอมาแล้วกล่าวว่าเราจะกระทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินดังนี้นั่นคือจะทำลายแผ่นดินนี้เสีย <c oughs> เขาขุดในที่นั้นๆเิ้อรายดินในที่นั้นๆขากถุยอยู่ในที่นั้นๆกระกระทึบเท้าอยู่ในที่นั้นๆปากพูดอยู่ว่า เจ้าต้องไม่เป็นแผ่นดินอีกต่อไปเจ้าต้องไม่เป็นแผ่นดินอีกต่อไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้แลหรือภิกษุกต็ตอบว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค้าข้อนั้นเพราะเหตุว่าแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณนี้ได้ ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทําให้ไม่เป็นแผ่นดินรักแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลําบากขับแค้นเสียเปลา่าพระเจ้าข้า <c oughs> อีกส่วนตั้งหลายข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน <c oughs> เมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งค่อยคําเหล่านี้ <c oughs> เธอพึงทําการสํำเน็จในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปรวนเราจะไม่เป็นเราจะไม่กล่า ว, วา่าจาอัน แต่เป็นผู้มีจิตเป็นดูเกือกูจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นจิตประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวไม่มีพยาบาลแผ่ไปสู่โลกเ็ที่ทุกทิศทุกทางมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์แล้วในยู่ก็พระพุทธออกก็ให้ เปลี่ยนแปลว่าเปรียบให้จิตเราเนื่ยเหมือนกับแผ่นดินใหญ่หนักแน่น <c oughs> ใครจะมาขุดใครจะมาขากำายใครจะไม่ได้อะไรต่างๆก็ทำไม่ได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีมีอีกประมาณเอามายังที่ที่ที่น่าสนใจ <c oughs> ที่พระองค์ตรัสอยว่าภิกษุทั้งหลาย <c oughs> เปลี่ยนเหมือนบุรุษถือเอาสีมา เป็นสีข้านบ้างสีเดือนบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้แลหรือภิกษุก็ตอบว่า ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าเพราะเห็นว่าอากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปไม่ได้แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเขียนรูปทําให้มีรูปปรากฏอยู่ได้รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลาบากขับแค้เสียงเปล่าๆพระเจ้าค่าก mm. ็อุปมาเนี่ยก็คือให้มองว่า จิตเรเนี่ยเป็นอากาศใครจะมากล่าววาจาเลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับให้เป็นคนที่พยายามเอาอสีมาเขียนรูปภาพแต่ถ้าเขามาเขียนรูปภาพในอากาศเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างรูปขึ้นมาได้ค่ ะ, ะต้องวางตัวเป็นอากาศเลยแต่เป็นเป็นอุปมาที่เห็นชัดออ <c oughs> <c oughs> พระพุทธองค์อุปมาได้เก่งที่สุดต้องบอกว่าฟังทีไยในทุกเรื่องเลยนะคะนี่ก็เป็นอุปมาที่สองเกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน ทั้แยกคายแล้วก็ภัยราอมาคือทั้งสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันเลยคือเรื่องแรกว่าให้ให้วางจิตมันก็เป็นแผ่นดินค่ะอีกเรื่องนึงให้วางจิตมันก็เป็นอากาศที่ไม่มีสีต่างๆเนี่ยไม่สามารถสร้างออกมาให้เป็นรูปได้เรื่องเดียวกันแต่อุปมาคนละเรื่องแล้วก็ห่างกันมากอย่างนั้นรึเปล่าคะที่ท่านพยายามจะคนละเรื่องแต่ว่ายังสามารถจะได้ใจความการวางจิตวางใจได้ซึ่ะ แยกขายแล้วก็ไปแล้เชื่อว่าท่านฟังเนี่ยคงจะชอบมากนะคะดิฉันจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่าอุปมาแรกเนี่ยท่านเปรียบว่าเหมือนกับคนเนี่ยพยายามที่จะเอาจอบกับเอากระทอคงจะเป็นบุ้งกีเขาว่าสมัยนี้คือบุ้งกีอ๋อเหรอคะเอาไปขุดดินนะคะขุดให้แผ่นดินหายความเป็นแผ่นดินใช่ไหมคะแล้วก็ทํา สิ่งที่จับจ้วงก็คือขากถุยลงไปบนแผ่นดินแผ่นดินก็จะเป็นแผ่นดินถ้าเราวางจิตไว้สำหรับคนที่ถูกคำพูดที่เราไม่พอใจแบบแผ่นดินอย่างนี้หรือว่าจะวางจิตอีกอย่างคือว่างเป็นอากาศไปเลยวาจาของคนเหมือนกับสีมาป้ายบนอากาศถ้าเราวางจิตได้เป็นอากาศสีป้ายยังไงก็ไม่ติดเว้นแต่ว่าเรามันสู้ไม่ได้เราเกิดไปวางจิตเป็นกระดาษอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นรูปขึ้นมาทันทใช่ค่ะเป็นภาพศิละปะที่เราก็ไม่ชอบทีนี้มีมีอีกประสูมหนึ่งซึ่งอะไรมาคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกันได้ดีก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราจะต้องตอบกลับออกไป <c oughs> ตอนแรกนี้ถ้ามีคนมาเบียดเบยเราทางวาจาเราจะวางจิตยังไงแล้วในกรณีที่เราจะต้องกระทําวจีกรรมขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เราควรจะวางวางวา ง, วางจิตวางใจอย่างไร มีพระพุทธองค์ได้บอกหลักวินิจฉัยในการทำวจีกรรมไว้สาสถาน3าแบบ <Okay. S 1> คืออันที่หนึ่งนี่คือเมื่อจะกระทำท่านจัดว่ า, าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอจะกระทำกรรมใดด้วยวาจาพึงพิจารณากำนั้นเสียก่อนว่าวจีกรรมที่เราจะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นบ้าง เปลีเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมเป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้พิสูจทั้งหลายถ้าเธอพิจารณารู้สึกดังนั้นแล้วไซเธอไม่พึงกระทําวจีกรรมชนิดนั้นโดยทางเดียวพิสูจทั้งหลายถ้าเธอพิจารณาแล้วรู้สึกดังนี้ว่าวาจีกรรมที่เราจะกระทํา ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเลี่ยนเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเปลี่ยนเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกรรมรามไรมีสุขเป็นวิบาบดังนี้แล้วไซ้์ภิกษุทั้งหลายเทองพึงกระทาวจีกรรมสิด น, นั้นนั่นคือในขั้นที่หนึ่งเมื่อจะกระทำเราต้องพิจารณาว่าคาที่เราจะพูดไปเนี้ย เปลี่ยนเปลี่ยนตนเองเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเปลี่ยนเปลี่ยนทางสองฝ่ายเปล่าคถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไม่ควรทําแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนเองไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทางสองฝ่ายมีสุขเป็นกุศลเนี่ยก็ให้กระทำนั้นเป็นที่กรรนั้นนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี่คือเมื่อกระทําอยู่ก็คือจะคล้ายๆกันก็คือว่าท่านอาจว่าเมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยวาจายิ่พึงพิจารณากำนั้นว่า วิธีกรรมที่เรากระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวิธีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากหรือไม่หนอถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นแล้วเธอพึงเลิกละวิธีกรรมชนิดนั้นเสียท่านก็พูดในในระยะตรงข้างว่าทังวิธีกรรนั้นเนี่ยเอ่อ ที่กําลังกระทําอยู่เนี่ยไม่เป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองไม่เป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสองฝ่ายเป็นวจีกรรมันเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากเธอเพึงเร่งเพิ่มการกระทําวจีกรรมชนิดนั้น<ะ>นั่นคือเมื่อพูดอยู่เนี่ยถ้าพูดแล้วเกิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง มันตนเองและผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายก็ให้หยุดคําพูด น, นเสียแต่ถ้าพูดแล้วเเ ป, เป็นกุศลมีุกเป็นกําไรก็ให้กระทําการพูดนั้นมา น, นขึ้นคท <Okay. S 1> ีขั้นที่สามก็คือว่าเมื่อพูดออกไปแล้วท่านจัดคล้ายกันว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยวาจาแล้วพึงพิจารณากำนั้นว่าวาจีกรรมที่เรากระทําแล้วนี้ เป็นไปเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองบ้างเปลี่ยนเปลียนผู้อื่นบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรําไรมีทุกเป็นวิบากหรือไม่นอดังนี้ทิศุกทั้งหลายถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นแล้วไซเธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทาให้เป็นของนายซึ่งวจีกรรมนั้นในพระสารมาดา ในเพื่อนสังพรมจารีผู้เป็นมิญยชนทั้งหลายขั้นแสดงขั้เปิดเผยขั้นกระทําให้เป็นของนายแล้วพึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไปอันนี้คือใ น, ในขั้นแรกที่ผมบอวเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคําพูดนั้นเนี่ยเป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมใดเนี่ยพระองค์ได้บอกว่าให้แสดงคือกับเพื่อนกับพระองค์หรือว่าเพื่อนสังพรหมจารีคือเพื่อนผู้ประพฤติ ออกมาจันทร์ด้วยกันแล้วก็ให้พึงถึงขึ่งความสำรวมระวังต่อไป mm. นี่หมายความว่าบางทีเรามีการพูดที่ไม่ไพเราะไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะไปบอกเพื่อนผู้ปบุงคลที่ว่าเออเมื่อกี้ได้พูดไม่ดีไปนะแล้วก็จะสํารวมระวังต่อไปในทางคารวะหรือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยบางทีเราเพื่อพูดไม่ดีไปเนี่ยเราก็จะไปบอก เพื่อนคนนั้นหรือว่าคนอื่นๆหรือเพื่อนที่เกี่ยข้องว่าเออเมื่ช้านี้รู้สึกพูดไม่ดีไปเลยเ อ, อ mm hmm. พูดแย่ไปนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเริ่มสำรวจระวังต่อไปก็ <c oughs> เป็นการที่แสดง อ, อความความที่เราพูดไม่ดีพูดเป็นอกุศล์นั่นออกมา <c oughs> แล้วก็จกับอกว่าถ้าเธอพิจารณารู้สึกอย่างนี้ว่าวิธีกรรมที่เรากระทาแล้วไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นมิบาเป็นสุขทั้งหลายเธอพึงอยู่ด้วยปิติและปามโมดตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเธอค่ะก็เท่ากับว่าสามารถจะใช้ไปเป็นหลักในการที่เราจะ พูดหรือเราจะรู้สึกกับคําพูดของคนมีวิธีการอย่างไรตามธรรมของพระพุทธองค์ <Okay. S 1> ชัดเจนเอาไปใช้ได้ทันทีเลย <Okay. S 1> เรียกว่าเป็นการที่ท่านมาร์กใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากเป็นของฝากจากรายการของเราเลยนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ก็คงต้องน้อมสักการขอบพระคุณ <Okay. S 1> ท่านมาร์กเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> และสัปดาห์หน้าพบกับท่านมาร์กทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ ท่านมาร์คพระมาร์คชาคาวโรจากว น, นาป่าพงลำลูกกาคลองสิบค่ะน้มสักการขอบพระคุณท่านไว้โอกาสนี้นะคะ